แกนิสัยมองโลกในแง่ร้ายเตรียมใจรับเรื่องร้ายกับมองโลกในแง่ร้ายต่างกันอย่างไรเตรียมใจรับเรื่องร้ายถ้าเตรียมจริงคุณจะลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ใจเย็นลงกลัวล่วงหน้าน้อยลงเกลียดล่วงหน้าน้อยลงและมาเกิดเรื่องจริงประดับโทสะจะน้อย รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสติไม่ใช่โตตอบด้วยความเกลียดหรือความกลัวการมองโลกในแง่รา้ายเท่าร้ายจริงคุณจะไม่ลงมือทําอะไรมากกว่าปลามบนให้ใจร้อนขึ้นเป็นเหตุให้กลัวล่วงหน้ามากขึ้นเกลียดล่วงหน้ามากขึ้นและเมื่อเกิดเรื่องจริงระดับโทสะจะทวีตัวเข้มข้น แล้วตอบโต้กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาการอาลวาดขาสติหรือถูกครอบงำอยู่ด้วยเงามืดแห่งความเกลียดและความกลัวทำให้สถานการณ์แย่ๆยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกโลกนี้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นบ่อยจริงๆแล้วก็มีแง่ร้ายให้มองมากมายแต่ถ้าฝึกจิตให้พร้อมจะเห็นแง่ดี เท่ากับคุณเกิดมาเพื่อเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีหรืออย่างน้อยก็จะต้องมีแง่ดีมากมายถูกค้นพบโดยคุณอย่างไรก็ตามการมองแง่ดีกับการฝืนใจแกล้งคิดให้เป็นบวกนั้นแตกต่างกันแง่ดีคือความจริงในแง่ที่มีอยู่ให้มองส่วนการฝืนใจแกล้งคิดให้เป็นบวกนั้น คือการหลอกตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะในที่สุดเมื่ออาการฝืนคิดหายไปความคิดแย่ๆย่อมปรากฏเข้าทำนองน้ำลดต่อผุดจุดสังเกตทางใจมีอยู่ง่ายๆถ้าคุณต้องฝืนถ้ารู้สึกฝืดหรือต้องออกแรงพยายามอย่างมากเพื่อจะให้เห็นแง่ดีอันนั้น ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าคุณกำลังหลอกตัวเองให้เห็นแง่ที่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่มองแง่ดีที่มีอยู่ตรงหน้าวิธีฝึกมองโลกในแง่ดีที่ได้ผลจริงคือเห็นทุกการสูญเสียหรือความเสียหายเป็นแบบฝึกหัดให้ถามตัวเองซ้ำๆว่าคราวเนี้ยได้อะไรมาบ้าง คุณจะเกิดความอัศจรรย์ใจว่าเพียงให้คำถามนี้ติดอยู่ในหัวแบบพร้อมใช้งานทันทีทุกครั้งจะเหมือนมีแสงสว่างเปิดหูเปิดตาให้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สึกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเข้าใจอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยปล่อยใจคิดลบไม่มีทางรู้สึกบวกฝืนใจคิดบวก ก็จะยังคงรู้สึกลบต่อเมื่อพบว่าได้อะไรมาถึงจะลืมว่าเสียอะไรไปแก่โลกมืดคำว่าโลกสวยช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นหรือซ้ำเติมให้อะไรอะไรยิ่งแย่ลงกันแน่คำว่าโลกสวยเป็นคำใหม่ แต่ใช้กันจริงทั่วไปน่าเสียดายที่คํานี้มีความหมายเชิงลบให้ความรู้สึกเป็นลบที่สำคัญคือได้ผลเป็นรูปธรรมในทางลบขึ้นมาจริงๆพูดง่ายๆคือมันมีส่วนทําให้โลกนี้แย่ลงไม่ได้ช่วยให้อะไรๆดีขึ้นเนื่องจากเป็นหนึ่งในถ้อยคําที่ใช้ทิมแทงกันไม่ใช่คาที่เตือนให้รู้ว่า อะไรผิดอะไรถูกยกตัวอย่างเช่นเมื่อนึกอยากจะโกงอยากจะประพฤตินอกใจแล้วใครมาบอกว่าไม่ดีไม่น่าทำก็จะมีวิธีโต้ตอบหรือคําด่าสำเร็จรูปกันแล้วคืออย่ามะโลกสวยประมาณว่าใครๆเขาก็ทำกันไปอยู่ดอยไหนมาซึ่งสอว่าคนถูกดา่า ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงล้าหลังมองอะไรเป็นอุดมคติแบบปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับกติกาใหม่ของโลกยุคไอทีเอาแต่ส่องหาสวรรค์วิมานแบบคนโบราณคร่ำครึดูละครจกัจกจัวงวงมากไปหรืออ่านนิยายโรแมนติกจนสมองเสียหายเป็นต้นแต่ก็มีอยู่ที่บางกลุ่มหรือบางคนแสดงความเห็นใจอาชญากร หรือผู้กระทำความผิดจนค้านกับความรู้สึกของสังคมหมู่มากอะไรๆต้องเห็นใจไปหมดให้อภัยไปหมดมีบทลงโทษกันไม่ได้เลยอันนี้ก็กลายเป็นการสร้างความชอบทําให้คำว่าโลกสวยยังคงอยู่ต่อไปอย่างเต็มภาคภูมิเพราะโลกสวยเกินไปจริงๆคำว่าโลกสวย ทำร้ายโลกความจริงอย่างไรลองมาสังเกตจากความจริงที่เห็นกันแบบจักต้องได้คนที่ด่าทอใครว่าโลกสวย บ, ยบย่อยๆหรือถึงขั้นใช้พร่ำเพรื่อมักจะมีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงขี้ระแวนชอบเพ่งโทษคนอื่นแต่นิยมปกปิดความผิดตัวเองสุดฤทธิ์คนที่ต่อต้านพวกโลกสวยนั้น เวลาเห็นแก่ตัวมักนามืด อ, อยากทำอะไรก็ทำเวลาโกรธเกรี้ยวจะอาลวาดแรงไม่สนใจความเสียหายของใครมีเชื้อความก้าวร้าวอยู่ในตัวสูงเพราะสำคัญไปว่าตนเองเป็นศูนย์กลางอำนาจซึ่งนั่นก็เท่ากับเลือกฝ่ายเข้าข้างพวกโลกมืดไปแล้วเมื่อโลกสวยกลายเป็นคำติดปาก และเป็นความถูกต้องก็คงไม่มีใครไปเอาออกจากปากคนส่วนใหญ่ได้แต่ละคนคงต้องหันมาสำรวจเฉพาะตนว่าคำนี้อยู่ในใจเราเรากลายเป็นคนยืนอยู่บนโลกมืดหรือเปล่าถ้ารู้ตัวว่าเริ่มเห็นการเบี่ยนเบียนเป็นของธรรมดาเห็นการด่าว่าเป็นพฤติกรรมปกติเออะอะไร กลัวโดนจำแนกเป็นพวกโลกสวยตลอดอันนี้ก็ต้องเร่งหันมาอธิบายตนเองว่าถ้าโลกสวยและยังมีเหตุผลอย่างรู้ผิดรู้ชอบแยกแยะถูกว่าอะไรคือการเบียดเบียนอะไรคือการเกื้อกูลเรายอมถูกว่าโลกสวยจะดีไหมยังไงก็ดีกว่าอยู่โลกมืดเป็นไหน